แสดงความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งการถวายทานสการักนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่นใดเพียงแต่ในอนาคตการขอข้าพระองค์พึงได้ตำแหน่งเอตาทัคะนั้นในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพิสุจ์ที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่ง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 ท่านจักเป็นยอดของพิสูผู้มีทิพยจักสุในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าดังนี้ครั้นเมื่อทรงพยากรแล้วทรงกระทําอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปตั้งแต่นั้นมาตราบที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านก็ได้กระทําแต่กรรมที่ดีมาโดยตลอดครั้นเมื่อพระศ า, าสดาเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว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 นายอนณภาระจะออกจากป่ากลับมายัางบ้านตนท่านจึงหอจากภูเขาคันธมาศมายืนอยู่ที่หน้านายอนณภาระที่ประตูบ้านนั่นเองนายอนณภาระเห็นพระประเจกับพุทธเจ้าทรงถือบาทเปล่าจึงนิมนต์ว่าโปรดรออยู่ที่นี่ก่อนเถิดครับแล้วรีบไปถามภรรยาว่าอาหารที่ท่านเตรียมไว้สาหรับเรามีหรือไม่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 จึงเรียกนายอนณภาระมาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าให้ทานอะไรอะไรแก่ใครหรือนายอนนภาระตอบว่าข้าพเจ้าถวายพระตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปริท t h เศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจงรับกระหาปณะไปแล้วให้บุญนั้นแก่เราเถิดนายอนนภาระตอบว่าให้ไม่ได้หอกนายท่าน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 ให้แก่คนเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นแก่ตนเท่านั้นดังนี้นายอนนภาระกล่าบพ ร, ระปเจกพุทธเจ้าแล้วกลับไปยังสำนักของสุมาณเศษฐีกล่าวว่าขอท่านจงรับส่วนบุญในบิณฑบาตทานเถิดเศรษฐีกล่าวว่าเชิญท่านรับทรัพย์พันกรหาพณะไปเถิดนายอนนภาระกล่าวว่า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 ก็ควรทำการบูชาบุญนั้นแล้วจึงพระราชทานทรัพย์พันกระหาปปณะให้แก่นายอนณภาระแล้วตรัสสั่งให้พนักงานสำรวจดูบริเวณที่จะปลูกเรือนที่นายอนนภาระจะอยู่เมื่อพนักงานกำลังจัดแจงแพร่ทางที่สาหรับเรือนนั้นก็ได้พบกลุ่มสัพย์ชื่อปิงละในที่นั้นตั้งเรียงกันจึงมากราบทูลพระราชา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 เกิดเป็นนายอนนภาระได้ถวายพัะ ต, ตาหารแด่พระปัจเจกับพทธเจ้านามว่าอุปริทะและทำความปรารถนาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีจึงทำให้ถาดนั้นเต็มไปด้วยขนมทิพย์เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเล่นครุปแล้วเปิดขึ้นกลิ่นขนมก็ตั้งตลบไปทั่วทั้งพระนคร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 ทรงกระทำการอนุเคราะห์โลกครั้นเมื่อพระเจ้าสุโทโธทนะทรงสดับข่าวว่าพระบรมศาสดามาอย่างกรุงราชฤกษ์จึงทรงรับสั่งให้อมานการุทายีไปนิมนต์พระบรมศาสดาอามานการุทายีก็ได้บวช ด, ด้วยเอหีพิคุ ป, ปัญภชาแล้วพระการุทายีเทระทูลวิงวอนให้เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา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 พระเจ้าสุดโททนะมหาราชทรงประชุมสากยศกุลทั้งหลายตรัสให้แต่ละตระกูลในสากยราชวงศ์ส่งขัตยกุมารออกบวชตามเสด็จในครั้งนั้นเล่ากันว่าขัติยกุมารถึงพันองออกผนวดโดยพระดำรัสครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อขัติยกุมารโดยมากเหล่านั้นผนวดแล้วเหล่าพระญาต เห็นสากยญาหกพระองค์นี้คือพัทยาราชาเจ้าชายอนุรุ t ธะเจ้าชายอนันทะเจ้าชายพคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเทวทัตยังไม่ได้ผนวดจึงสนทนากันว่าพวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้สากยญาทั้งหกนี้มีใช่พระญาตหรือจึงไม่ได้ทรงผนวดเมื่อเป็นดังนั้น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 ท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งข้าวชื่อวข้าวย่อมเกิดที่หม้อข้าวเจ้าอนุรุท ธ, ธาตรัสแย้งว่าถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาข้าวย่อมเกิดในถาด ท, ทองคำประมาณสอกกาได้ยินว่าบรรดายุวกษัตริย์สามองค์นั้นวันหนึ่งกิมพิลักกุมารทรงเห็นเขาขนข้าเปลือกลงจากช้างก็เข้าพระไยว่า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 ขอพระผู้มีพระภาคจงให้อุบาลีผู้เป็นภูสามาลานี้บวชก่อนเถิดพวกหม่อมชั้นจะทําการอภิวาทการลุกรับอัญชลกกรรีกรรมสามีจกรรมแก่อุบาลีผู้เป็นภูสามาลานี้เมื่อเป็นอย่างนี้ความถือตัวว่าเป็นศากยะของพวกหม่อมชั้นจะเสื่อมคลายลงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาค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 สแสวงหาอยู่ซึ่งของกินที่เสียคืออุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูถึงสถานที่อยู่ของพระเถระได้ฟังเสียงอันไพเราะเสียงนั้นตัดผิวหนังเป็นไปจนเยื่อในกระดูกเข้าไปถึงหัวใจของนางหยุดอยู่ครั้งนั้นนางยักษ์ศีนั้นไม่คิดในการสแสวงหาอาหารนางยืเนเงี้ยโสนลงฟังธรรม ส่วนยักษ์คทารกไม่มีจิตในการฟังธรรมเพราะเป็นเด็กเขาถูกความหิวเบียดเบียนแล้วจึงเตือนมารดานแล้วแล้วเล่าๆ ว, ว่าเพราะเหตุใดแม่จึงยืนไม่ไหวจริงในที่แม่มาแล้วไม่สแสวงหาของเคี้ยวหรือของบริโภคสำหรับลูกนางคิดว่าบุตรจะทำอันตรายแก่การฟังธรรมของเราจึงปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่า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 สบสีสะลงที่เท้าของท่านพระอนุรุทธะแล้วได้กล่าวคําขอขมาต่อท่านท่านพระอนุรุทธะก็ยกโทษไทยครันรุง่งเช้านางได้ถวายพัตตาหารแด่พระเถระครันเสร็จพัตกิจแล้วจึงแสดงธรรมให้นางฟังนางจึงเกิดความเลื่อมใสขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระธรรม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 ท่านพระอนุรุทธะทูลรับว่าจิงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อ น, อนุรุธทธะฉไนเธอจึงได้สาเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเล่าการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว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 ที่ท่านเคยอยู่ในการก่อนร่างร้อมด้วยหมู่เทวดาแวดล้อมเป็นบริวารเพื่อให้ท่านได้ตั้งจิตไปเกิดในภูมิเทวดาอีกลำดับนั้นพระเถระกล่าวแก่เทพธิดาว่านางเทพธิดาผู้เเาวท่านม่รู้แจ้งถึงคำของพระอรหันต์ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยงมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา มังเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสด้ย่อมเป็นสุขบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ว่าในภูมิใดๆของเราไม่มีต่อไปอีกแล้วนางเทพิดาได้ฟังดังนั้นหมดความหวังแล้วกลับไปอย่างวิมานในวันหนึ่งพระเทระมีจีว่านเก่าแล้ว จึงได้เที่ยวแสวงหาผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งแล้วในที่ทั้งหลายเช่นตามกล่องขยะเป็นต้นนางชาลินีเทพิดา น, นั้นเห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาผ้าบางสุกุลอยู่จึงถือผ้าทิพสามผืนยาวสิบสามซอกกว้างสงี่ซอกแล้วคิดว่าถ้าเราจักถวายท่านตรงๆท่านคงไม่รับ จึงสุกผ้าไว้บนกองขยะแห่งหนึ่งให้โโปรมาเพียงชายผ้าเท่านั้นเมื่อพระเทราเห็นชายผ้าของท่อนผ้าเหล่านั้นแล้วจึงดึงชายผ้าออกมาเห็นเป็นผ้าบางสุกุลจึงถือเอาแล้วกลับไปครั้นในวันทำจีวรของพระเทรานั้นพระศาสดามีพิสษุน์ห้าร้อยรูปเป็นบริวารเสด็จไปที่พระวิหารประทับนั่งแล้ว แม้แต่อสิติมหาสาวกทั้งแปดสิบรูปก็นั่งอยู่ด้วยพระมหากัสปบาทเทระนั่งแล้วตอนตอนเพื่อเย็บจีวรท่านพระสารีบุตรเทระนั่งในท่ามกลางพระอานนท์เทระนั่งในท้ายที่สุดพิสุปทรงกรอได้พระาศาสดาทรงร้อยได้นั้นในรูเข็มพระมหาโมคคลานะเทระ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 มูพิสุมีเพียงเท่านี้เพราะเหตุใดจึงมีผู้นําพัฏตาหารมาถวายจนเหลือมากมายป่านนี้พระอนุรุทาะเทระเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ว่าญาตและอุปัถาของตนมีมากลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามภิสุเหล่านั้นว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเมื่อพิสุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องที่ตนโจด จ, จันอยู่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 แต่พระทำถูกทักกินัยะบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพเจ้าเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระบรมศาสดา จ, จึงตรัสถามอินทากาะเทพประบุทูลนั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้คลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทากาะเทพประบุจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักคินัยะบุคคลดุจหวานพืชแม้น้อยในเนื้อนาดี ผลย่อมงอกงามไพ่บูนและเพื่อจะประกาศความสําคัญของทักกินายบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพ่บูนชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลย่อมไม่ไพ่บูนทายก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้น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 ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุท ธ, ธเทระผู้เป็นอรหันตาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุตรนี้ย่อมมีผลมากกว่าทานที่อังกุรเท พ, พบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาวสิบสองโยศเพื่อบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึงหนึ่งหมื่นปีเมื่ออินทกะเทพบุตรกราบทูลแล้ว พระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังกุรเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหวานพืชในนาดีแต่เธอหาได้ทําเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงมีผลไม่มากทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมาก ควรพิจารณาให้ในเขตนั้นการให้ด้วยพิจารณาตถาคตสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักษินัยบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหวานพืชที่บุคคลหวานลงในนาดีฉะนั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นคสิตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแหละ ท่านพระอนุรุทธะไปอย่างวิหารที่พักกลางวันหลีกร้นอยู่ลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามานาปกาญิกามากมายพาเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ ถ, ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย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 ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพันุ์เขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวเป็นต้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะจึงดําริต่อไปว่าโอหนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้มีร่างขาวมีผิวพันธุ์ขาวนุ่งผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดําริของท่านพระอนุรุท ธ, ธะแล้ว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 และน่ารื่นรมฉันใดเสียงแห่งเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันลำดับนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะทอดอินทรีลงเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าอนุรุท ธ, ธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปณที่นั้นครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุท ธ, ธะออกจากที่เรน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูนพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องราวที่เทวดาเหล่ามานาปกาญิกาพากันเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วลำดับเหตุการณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมใดเมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกาญิกาพระผู้มีพระภาคตรัสสอนธรรมแปดประการซึ่งสตรีที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกาญิกาได้แก่หนึ่งตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้สามีประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รัก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 ว่าการงานนั้นทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำรู้อาการของคนภายในบ้านหากเป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทุดลงแบ่งปันของกินของบริโภคให้ก็บคนในบ้านตามควรหรักษาทรัพย์สินของสามีและไม่เป็นนักเลงการพนันขโมยนักดื่มไม่ผ่านทรัพย์ให้พินาศห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 ต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นหมายถึงวิมุติทั้งสองนี้มีความหมายเหมือนกันต่างกันเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นพระเถระกล่าวว่าเจโตวิมุตทั้งสองนี้ต่างกันทั้งความหมายและพยัญชนะเจโตวิมุตอันไม่มีประมาณคือพิษุกแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา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 เราเป็นผู้มีชื่อว่าอันนภาระเป็นผู้ยากจนเป็นคนขนยาเราได้ไปอาศัยสุมาณเศรษฐีผู้มียศผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงพาราณสีสุมาณเศรษฐีเป็นผู้มอบเงินให้เราเหล้ยงชีวิตครั้งหนึ่งเราได้ถวายบิณฑบาตแก่พระอุปริทถาปเจคพุทธเจ้าสุมาณเศษฐีได้ขออนุโมทนาบุญกับเรา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 ได้มาเกิดในตระกูลของโยมอุปถาของท่านที่ชื่อว่ามหามุนทะในมุนทะนิคมซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขากใกล้ป่าที่ถูกไฟไหม้อุบาสกที่เป็นโยมอุปถากท่านมีลูกอยู่สองคนคนโตชื่อมหาสุมณนะคนที่สองชื่อจุลสุมณนะโดยสุมณะเศรษฐีในอดีต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 เรามาเพื่อจะขอน้ไปปรุงยารักษาพระอาจารย์ซึ่งกำลังอาพาธอยู่ขอให้ท่านได้ให้น้ำแก่เราด้วยเถิดหน้าคราชบอกว่าแม่น้ำใหญ่ชื่อคงคาณเบื้องทิศบุรพ า, าย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรท่านจงนำเอาน้ำดื่มจากแม่น้ำคงคานั้นไปเถิดสามารถเรีรู้ว่าพญานาคคงจะไม่ให้น้าง่ายๆ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 แผงพังผานไม่ให้สามาเณรนำน้ำไปได้สามาเณรก็เริ่มประลองรีกับพญานาคราชโดยหอกขึ้นไปกลางอากาศแล้วเนรมิตกายสูงถึงสิบสองโยธเหยียบพังพานของพญานาคกดหน้าให้คว่ำลงทันทีที่เหยียบลงไปบนพังพานของพญานาคเท่านั้นแผ่นพังพานก็ได้โหดเข้าประมาณเท่าทัพผีน้ำในสระอโนดายก็พุ่งขึ้นมา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 ขึ้นชื่อว่าการกล่าวคำเท็จของสามาเณรผู้เป็นขีณาศพย่อมไม่มีจึงดื่มน้ำแล้วอาพาธของท่านสงบลงในขณะนั้นเองนาคราชกล่าวกับพระเทระอีกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้อันสามาเณรให้หมู่เทพทั้งหมดประชุมกันทำให้ละอายแล้วข้าพเจ้าจะผ่าหัยของเธอหรือจักจับเธอที่เทา้า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 ก็ในที่สุดเมื่อวาระถึงแก่สุมาณะสามเณรพระเทระกล่าวว่าสามเณรพระศาสดามีพระประสงค์จะส่งล้างพระบาททั้งสองด้วยน้ําในสระอโนดานเธอจงถือเอาหม้อไปตักน้ํามาสุมาณะสามเณรนั้นเรียนว่าเมื่อพระศาสดาทรงให้นํามากระผมจักนํามาดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระองค์ให้ข้าพระองค์นำน้ำมาจากสาอนุดานหรือพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นสุมานณะสุมนณะสามเณร น, นั้นเอามือจับหม้อใหญ่ใบหนึ่งซึ่งจุน้าได้ตั้งหกสิบหม้อในบรรดาหม้อสาหรับเสนาสนะซึ่งเลี่ยมดาด้วยทองแท่งอันนางวิสาขาให้สร้างไว แล้วหาะขึ้นสู่เวหาดบ่ายหน้าต่อหิมวันตระเทศนาคราชเห็นสามเณรซึ่งกำลังมาแต่ไกลเทียวจึงต้อนรับกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อผู้รับใช้เช่นข้าพระเจ้ามีอยู่เพราะอะไรพระผู้เป็นเจ้าจึงมาเสียเองเมื่อความต้องการน้ำมีอยู่เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ส่งทีงข่าวสารมา ดังนี้แล้วเอาหม้อตักน้ำแบกเองแล้วกล่าวว่านิ่มนพระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเถิดครับข้าพระเจ้าเองจะนําไปสามเณรกล่าวว่ามหาราชท่านจงหยุดข้าพระเจ้าเองเป็นผู้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้มาดังนี้จึงให้พญานากลับแล้วเอามือจับที่ขอบปากหม้อเหาะมาทางอากาศ ลำดับนั้นพระศาสดาทรงแลดูเธอซึ่งกำลังมาตรัสเรียกพวกพิสุกมาแล้วตรัสว่าพิสุกทั้งหลายพวกเธอจึงดูการยื้อกรายของสามเณรเธอย่อม ง, งดงามหยุดพยาหงในอากาศฉะนั้นแม้สามเณร น, นั้นวางหม้อน้ำแล้วได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนอยู่ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าสุมณะ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 ครั้งหนึ่งพระอนุรุธทธะเทระท่านอาพาธอยู่ที่อันถวันในพระนครสาวัตถีท่านได้บอกกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าความเจ็บปวดไม่ครอบงำจิตใจของท่านเลยพระจิตของท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐานและเมื่อพิสุท์เป็นอันมากถามท่านเกี่ยวกับเรื่องอภินยาท่านก็ได้บอกกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่า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 ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญาญาตนะและทรงถอยออกจากฌานลงเป็นลำดับจนถึงจตุทถฌานพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากจตุทถฌานอย่างลงสู่พระวังคจิตแล้วปรินิพานในขณะนั้นนั่นเอง ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วท่านพระอนุรุทธะจึงได้แจ้งแก่หมู่พระพิสุทธและเหล่ากษัตริย์ทั้งปวงที่เฝ้าอยู่ว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วบรรดาพิสุททั้งหลายนั้นพิสุเหล่าใดที่ยังไม่บรรลุพระอรหันตผลก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ ส่วนพิสุท์เหล่าใดที่บรรลุอรหัตผลแล้วก็ได้ท ร, รมาสังเวชครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เตือนให้พิสุท์ทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยเพึ่งรงำลึกถึงพระดำรัสของพระพุทธองค์ในเรื่องของความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายและยังบอกด้วยว่าเราเทวดาจะตำหนิเอาว่าตัวของพระพิสุ์ทั้งหลายเอง ก็ยังไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกได้และจะปลอบโยนผู้อื่นได้อย่างไร